ฟังครรต่ออ <Taking> <Styles> <Hai> ีกทีหนึงเพื่อสำมูทยอกถาให้ได้สดชื่นเบิกบานในผลบุญกุศลที่เราหมอลักลาศินสมาทานศีลบิสุทในวันล้สิบห้าค่ำ หลองตาเพึ่งมารู้เพิ่งเช่านี่ยไม่รู้ไม่ได้โกนผมเลย <laughs> กางอารรมวัดตีสี่ครึง่งเดินมาทำรรวัดมาเช่านี่ตีห้าชาวบานจะม า, าวันพระอหมูธนากับยอดโจ้มจะว่าเรา บานหนน้อยกลใหญ่ยังไม่ยุติ่รรมงาะตั้งแต่เช้ามืดตีสี่ตีห้าควจะเตรียมตัวเตรียมใจกันเต็มที่เพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้เกิดเนยนิสงในเทศการเข้าพรรษานี่เป็นเทศกาลเพิ่มบุญ ให้ตัวเองเพิ่มกุศลเพิ่มคุณงามความดีให้กับตัวเราเป็นการละความชั่วออกปอยนเท่าไหร่ยพยายามเลาะให้ได้สามเดือนทุนใจมาดมันงอกงามขึ้นมาอย่า <c oughs> งถ้าดูทำนาทำไรก็ต้องปลูกฝังลงไปใส่ปุ๋ยลงไปดายาลงไป ไอต้นข้าวต้นมันต้นอ้ยต้นโหลปลูกให้มันงามขึ้นมาความสนผลบุญความดีความงามจะงามขึ้นในกาที่ใจของเราเนี่อะไรที่ไม่ถูกไปต้องหลอออกไปปล่อยออกไปใช่มันหลงไม่งามบุญมันจะไม่งามความโกรธบุญจะไม่งามความทุกข์บุญจะไม่งามละออกไปตายมันหล่อไปมันตายย่า สละออกร้อยรอยให้ใจดีเวลามันหลงให้รู้ขึ้นมาเวลามันทุกข์ให้รู้ขึ้นมาเวลามันโกรธให้รู้ขึ้นมาเวลามันพอใจไม่พอใจให้รู้ขึ้นมาเวลามันหูได้ยินเสียงพอใจไม่พอใจตาเห็นรู้พอใจไม่พอใจเอ่ยขึ้นมากรรู้ชักตัวขึ้นมาห่อยวางออกไป นี่เลยว่าละบาปสร้างบุญไม่ใช่เป็นพิธีเฉยๆให้ถึงใจเราด้วยใจนี่มันจะรับบุญต่ออบุนหรอถ้าไม่ดูแลใจมันจะต่ออุบุญไม่ได้มันสาเร็จอยู่ที่ใจถ้าใจไม่รับไม่ละสิ่งที่ไม่ดีไม่รับสิ่งที่ดีเข้าไปมันก็ไม่เกิดสักทีเว็นที่ต่ออุบุญหรอใจนี่ มันไดต่ออวุนกา ย, ยอกมาต่ออวุนักดิสสามปลายหายสามโทษปลายกายปลายวาใปลายจิตใจมันมีปลายของมันเห ม, มือนมือปลายมือไปทำบาปทกรรมศักไว้แล้วศัสิทิ์ปลายไ้มีมีสามทวานกายกรรมสาม กายกรรมสามอาัตลักทัพประพฤติกรรมทั้งหลายทำไมคนถึงเ ด, ดือดร้นนี่กายกรรมยุอย่าไปทำระวังดีๆตรงนี้ว จ, จีกรอมโนกรรมาวจีกรรมกายกรรมสามวะจีกรก ร, ม ส, ม, ะะกรมสี่มโนกรรมาวะจีคือวาจามีสีทวัน พูดเหตุก็อย่าพูดรักษาไว้พูดคำอยาบก็อย่าพูดรักษาไว้พูดเพ้เจือก็อย่าพูดรักษาไว้พูดสเสียดถ้าคนแตกเล่าขึ้นมาอย่าพูดของไม่จริงให้พูดความจริงเสมอพูเทตุพูดความหอบด่าลูกด่าหลานก็อย่าพูดแต่ไปใช้วหวจ่าหัดให้มันพูดอย่างนั้น ให้มันพูดแต่สิงที่ดีเป็นปีอาวาิจาพูดความจริงตัดสินใจออกมาพูดด้วยความจริงใจเป็นความจริงทุกอย่างที่แสดงออกมาจาการพูดพูดเช่นใดใจเช่นนั้นพูดถึงใดให้เป็นเช่นนั้นสัจจะความจริงใจอาพืิสิ่งใดท้งกายวาจาลงไปให้เป็นจริงนี่คือวาิจาร์มโนุ่งกำสาม 3, คือ คิดประทุษไลยเขาอย่าไปชิดพยายามบอปองไล่เขาก็อย่าไปชิดพา ย, าย า, ด า, ยายาทเบียดเบนใายอย่าไปชิดอย่างนั้นมันท้าหวานใจมันจะไม่ดีใจมันจะไม่ต่อสิ่งไม่ดีนะก็ต้องคิดพยายามบอสปองไล่เขาชิดประทุษไลยเขาเห็นผิดจากทํานองของทำ เห็นผิดจากคำร้องครองธรรเนี่เป็นทวัรของกิจอยาไคิดแบบนั่นกิดนะไอ้คิดแต่ถึงขุดงามความดีแพรเมตตาคิดอลไก็คิดถึงแต่ความดีออกมาต่อเอาความถูกต้องบทั้งใจเลยจึงเป็นทวารที่ไปต่อเอาความดีทั้งกายว่าใ จ, าจเป็นเครื่องมือ สำหรับใช้ให้เกิดความดีแตาใช้ไม่เป็ น, ก, ปนก็เป็นโทษเป็นโทษแตาใช้เป็นก็เป็นประโยชน์พาถึงมากถึงผลตัวใครตัวมันกายของใครกายของมันใจวาจาของใครของมันใช้ให้เป็นวาจานี่พูดในเสียงเงินก็ได้พูดในติดคุกก็ได้พูดในเขามาค่าก็ได้พูดในเขาลักก็ได้ ใจกเหมือนกันพูดคิดให้เป็นทุกข์ก็ได้คิดแล้วเป็นทุกข์คิดไม่เป็นคิดกัดตอตัวเองให้เป็นทุกข์มีว่างไหมใครคิดขึ้นมาน้ําตาไหลคิดขึ้นมาจิตเข้ามาลองคิดขึ้นมานอนไม่หลับยังปล่อยจนคิดอยู่ไม่หยุดความคิดไม่เป็นก็หัดตัวเองโดยเพราะการหัดความคิดเนี่ยจากรรมฐานมีวิชาที่ดีที่สุด น, นี่นี่มิติตั้งไว้ฉัลมหายใจเข้าออกคําม่ชิดไปเวลานอนเรนอนหาเรื่องไม่ชิดก็กลับมาหายใจเข้าออรู้สึกหายใจออกรู้สึกไปพลิกมปขึ้นข้มือหายมืออยู่ในท่านอนเวลานี้ไม่ใช่เวลาไม่ชิดเวลานอนหาตัวให้มีระเบียบเวลานอนอย่าหาเรื่องไมช่ชิดฉนนอนไม่หลับ อ่าหลับก็หลับไปกับความคิดขก็ฝันฝันล่ันไ ป, ไปทั่วความคิดมันยิ่งงอกงามในความฝันไปเลยมันมันมันเปรอะเปื่อนมามากใจเนี่ยถ้าเราไม่หัดมดันเลยยังต้องหัดใจในี่สำคัญที่จดเป็นหัวหน้าสําเร็จเป็นบุญบิณฑบาปอยู่ที่ใจให้เอาให้ดูเลยให้ดีๆ มารักษาฉินก็เพื่อมาดูแลกายใจนี้ไม่ใช่มาอยู่เป็นพิธีอยู่วัดอยู่ว่าเฉยๆนั่งอยูน่นี่มืนอนชีพอยนู่นถึงคนเลิกคนจังหวงวนน่นหนวนนี้บงทีก็อย่างโบรานท่านว่านั่งอยู่มาจังฉินอยู่ที่วัดก็พู้เท่าผัวเมียสองเท่ามาจังฉินอยู่ที่วัด วัดีฝนตกฝนตกเอื้ อ, อ, อง ก, ก็ร้องกบก็ร้องเขียก็ร้องผัวเมียน่ะเคยไปจับกบจับเขียดเวลาฝนตกใหม่ได้ยินเสียงกบร้องได้ยินเสียงเขียดร้องได้ยินเสียงเอร้องเคยจับเอืงแล้วเอื้ อ, องร้อง มันผสมผันกันมันวางไข่เอาไจับออกกันหาเป็นปข้องมาเราเหนเส้นเงลง้จับกึงจับกบก็คิดถึงอยากจะไปะจับกบจับเขียวอยู่ในทุ่งในนานนก็ยอมเราก็คิดว่าจะจับเอื่งจับอะไรไปกูอยู่ก็ตายไปเป็นอื่สองถวงเงีพันยา เราฝนตกตายไปมันเองล่องอยู่ร้องอยู่กลาง น, หนาเหมือนเลี้ยงกันอยู่น่นโรานท่านว่าอย่างนั้นจิตไปอยู่ไหนก็ไปที่นั่นนะอไปบาปก็เป็นบาปติดตามตัวเราไปตก น, นกมันเ ป, นปโลกายสติานเคยจากความคิด ออม็บาอย่างให้เป็นอบายภิทร์ทูอบายก็หักข้ามจิตอยให้มานชีวิตแบบนั้นเป็นได้เปรตก็เกิดอยู่ที่ใจสัตว์นร ก, กเกิดอยู่ที่ใจสัตว์ริลฉานเกิดอยู่ที่ใจอสุรกายเกิดอยู่ที่ใจอาใจมันคือขาดที่กลัวอะไรต่างๆทําดีไม่ได้อดโลกโอ้ยอดไม่ได้กลัว โอนมากคนมาได้โอนุบดีก็โอ ด, โอดไ้ได้ขี้ขาดขี้กลัวไม่กล้าทำความดีแต่ที่จะทำความชัว่วพวกนี้เป็นภูมิอันต่ำอมานไม่เจริญหัดจิตของตนสอนกายสอนใจกายเป็นก็มีศาสนาของกาย มันทำมันมีความถูกต้องของกายศาสนาของกายศาสนาของกายเช่ไหมหิวก็ต้องกินข้าวแก้ได้ความหิวก็กินข้าวแตามาหนาวของผมพะเป็นศาสนาของกายมีบ้านมีเรือนอยู่เวลาฝนตกเข้าล่มเข้าเงาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ร้อนจุกทันยา ภาพก่อนก็หายแต่ไม่รู้จักรักษามีรรสัตว์สองกายใช่ผิดก็ผิดปินเล่าเกิดทุกข์เกิดโทษจิ้นหมาก็เกิดโลกมะเร่งจุบลีก็เป็นโรคปอดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นการใช่ที่ผิดพลาดใช่กายใช่ใจไม่เป็นแล้วก็เป็นทุกข์เป็นโทษได้ เพราะนั้นพวกเอาบายทั้งหลายเกิดกูที่อยู่ที่ใจทำไมหัดตนสอนตนหัดคิดในดีๆมีกรรมาฐานมีที่ตัง้งมีสติวันนี้เป็น อ, อุโบสถจินเข้าอยู่ อ, อุโบสถเว่าเข้าอยู่เข้าอยู่ในกรอบในพิมพ์มีกรอบมีพิมพ์หล่อพิมพ์ของกายพิมพ์ของใจ พิมพ์บุญพิมพ์กุศลพิมพ์พมรรคผลนิพพานหากถ้าอยู่ในพิมพ์ในแบบจะออกจากแบบจากพิมพ์เราสมาทานแล้วปานาธิปรตตาปทินาอภัมมจริยามูสาวุลานัจฉิตวิกาละโพนณัจคิตวามาลาอุจฉิยะปัดข้อเป็นแบบพิมพ์สำหรับกายใจ วันนี้ให้อยู่ในแบบในพิมพ์ให้ได้หักเข้าแบบเข้าพิมพ์ไม่ใช่มานอนอยู่ว่าเฉยๆถ้ามานอนอยู่ว่าเฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์เลยที่มาอยู่วัดมันอาศัยปริวิเวกออกจากลูกจากหลานมาเพื่อให้เป็นชีวิตสวนตัวที่ว่ยปริวิเวกเมื่อมีวิเวกเกิดขึ้นกายวิเวกเกิดขึ้น ก็มีจิตตวิเวกจิตก็อาจจะวิเวก ข, ขึ้นมาสอนจิตได้เมื่อกายวิเวกรับวิเวกจิตได้รับความวิเวกไม่มีอะไรมาแบ่งปันเมื่อกวมอุปทิเวกอาจจะหมดฟูมชั่วหลงปอยไม่มากก็ น, น้อยนั่นจึงไม่สศาสนาวุทธธรรมแบเพรียดอวบัตบาลไ ม, ม่สอนสอนพูดแบบไท ย, ไทย วัดแบบไทยๆพระสงฆ์แบบไทยๆระเพลีดีของเราก็แบบไทยๆเพื่อหลอ่อหลองชีวิตของเราในเทศการลขบวนเส่า น, านี้เอาให้เต็มที่ให้มีศรัทธามาเข้าแบบเป็นทุกวันพระอย่าให้ขาดสมาทานศีน ประดับตกแต่งกายใจของตนเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมใจก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมด่างก่อนเแรงเวลาท่านว่าเลี้ยงไว้เราต้องเจ็ต้องเจ็บต้องตายเกเป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ม่คมทุกข์จากเราแล้วมีควมทุกข์เป็นเมื้อหน้าแล้วต้องรับผิดชอบตัวเอง เออพระเจ้าได้ใช้เช่นนั้นด้หนี้แล้วเหนือก่อนกิดใจจะตายเป็นมรรคเป็นผลเกิดขึ้นเลชีวิตเราเนีนเพื่อมรรคเพื่อผลมันมีรูปมีนามมีกายมีใจให้ต่อยอดออกจากที่นี่เอาไปต่อความดีมีกันทุกคนกายก็มีทุกคนเป็กกนกายยกบัววยทําดีมันทาได้ทุกคนละความชั่วก็ละได้ ใจก็คิดดีๆคิ ด, ดถึงพุทธคุณธรรมคุณสองคนคิดถึงศีลของตนคิดถึงฐานของตนเคยมีเศษพอคิดถึงได้ไหมเคยท้ความชั่วเคยทำความดีไหมคิดถึงด่านที่เราเสียฉลอะอะไรบ้างอารมณ์เน่าเคยเสียฉลอะเคยให้อาภายัยไปยไม่ถือสาเรื่องมีบ้างไหม อาภัยอะไรมาเสียสละอะไรมาอารมณ์เน่าอะไรเกิดขึ้นจะเข้าออกไปเสะละหัดใจให้มันดีง่ายไปสู่ความดีเอียงไปสู่ความดีมก็คิดนะถ้าไม่มีอะไรคิดถึงมันก็จนเนาะจนจนจ่อยเวเจ็บก็เจ็บเลยไม่เคยมีสติ เวลาทุกข์ก็ทุกข์เลยไม่มีใคยมีสติถ้าหัดเองเวลามันหลงก็รู้เตรียมไว้อย่างนี้เวลามันโกรธก็รู้เฉกตัวเวลามันทุกข์ก็รู้เฉกตัวให้หัดจากนี้เตรียมไว้มาไล่เป็นดีนะผิดเป็นถูกถ้าเราหัดในการในใจเราเนี่เป็นเครื่องมือเวลามันโกรธไม่โกรธก็ได้อนี่หัดจากนี้ อย่าไปทำตามหมันความโกรธไปทำความไปทำตามความโกรธเสียผู้เสียคนเคยเดือดร้อนเคยเคยถูกความโกรธหลอกไม่มีอะไรดีเลยเดี๋วเรามนทุกข์กดทุกขนั่งเศร้าเน่าเหงาหงาอยู่ไม่เคยถอนตัวมามเคยช่วยตัวเองปล่อยตัวเองเป็นทุกข์เป็นโทษ อ, อยู่นั่นเดี๋นั้นราจึงหัดเอาไว้เตรียมกายก่อน แต่งไพรา้เราจะแต่งหน้าแต่งตาต้องอาบน้างไม่สาดจะค่อยทาแป้งถ้าไปทาไม่ได้อาบน้ามันก็ไม่สวยไม่งามเตรียมใจก่อนตายเราจะตายตายเป็นไหมไวเวลาจะเจ็บเจ็บยังไงเราถูกความทุกข์จากเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเมื่อหน้าเราจำนวนหรือโยมหรือ ศาสตราลนี่ต้องเป็นมรรคเป็นผลถ้าไม่ไม่มรรคเป็นผลไม่ต้องถือศาสนาลพูธก็ได้มันอยู่ที่เราเนี่ยเวลามันโกรธไม่โกรธไปอย่างเนี้เวลามันทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยเวลามันหลงไม่หลงเนี่ยมันอยู่ที่เราเนี่ยต้องเป็นปัจจิตตังของเราปฏิบัติเองแต่บอเองช่วยกันมาได้ไม่มีใครช่วยเราได้ตัวใครตัวมันจริงๆ นี่วัดปอมหาวันก็สุดยอดแล้วไม่ชีก็อยู่ดี่อยู่ชี้แม้ชีห่หนุ่มสาวๆพระก็ไม่พระหนุ่มๆตั้งใจที่จะมาศึกษาเรื่องนี้เป็นหมูเป็นมีดกันไม่เปลี่ยวเดียวดายไม่เข้าจใจจะไหนถามท่านอาจารย์ตุ้มนี่ก็มีความจัดเจนในเรื่องการปฏิบัติมาไม่พาหลุงท็จหลงทางแน่นอน โอยคิดถึงบ่เออเราไม่ผลิญญาิมิตญาติโ ย, ยมนอนอยู่บ้านพวกเราหนุ่ยป่ากาำลังทําความดีอยู่ออคิดถึงความดีไม่ใช่เราอยู่คนเดียวสิ่งที่เราทุกคนนื่นเขาไม่ทุกก็มีสิี่เราโกรธคนอื่นเขาไม่โกรธก็มีสิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงก็มีอย่าไปหลงคนเดียวไปทุกคนเดียว หัดต้นสอนตันจะนี้อย่าไปคิดแบบลงโทษตัวเองไย็นวายงฮะ่าฮ่าฮ่า่าฮ่อ่ะสองฝันจะไปลาละกันอ่ะฟังฟมก่อน